ตอนนี้เราก็กลับมาพบกับท่านม้าชากาวโรอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ท่านนำเรื่องอะไรมาฝากท่านฟังคะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกสอนพระที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในทวินัยใหม่เนี่ยว่าควรจะทำตัวอย่างไรบ้างประพฤติปฏิบัติอย่างไรซึ่งอาตมาเห็นว่าแง่มุมหลายๆอันเนี่ยสามารถให้คารวะญายมซึ่งสนใจในการประพฤติปฏิบัติรำ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตัวได้ค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าอาหมุนขึ้นหนีดีกว่าเพราะว่าบอกกับพระเรายังไม่เป็นพระ <c oughs> อย่าเพิ่งนะคะ <c oughs> เป็นประโยชน์กับท่านด้วยค่ะ <c oughs> ใช้แง่มุมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนสอนภิกษุเนี่ยอาตมามองว่าคารว่ายาโยมเนี่ยหลายๆ ย, ยานี้สามารถนํามาใช้ได้ทันทีเลยค่ะอย่างยกตัวอย่างในพระสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดกับพระอนนท์ว่าอานนท์ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหม่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 มาเถิดพวกมีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้อันนี้คือข้อแรกที่ท่านตัดว่าให้พระใัยเนี่ยภิกษุให ม, ม่เนี่ยให้สารวมใน ต, ติโมกษสังวรคือสีที่เป็นเบื้องต้นของพรหมชน <Okay. S 1> ให้เห็นเห็นภายในโทษแม้เป็นสิ่งที่เป็นเล็กน้อยถ้าอย่างคาราว้านี้ก็ให้สํารวมอยู่ในศีก็คือศีห้าแต่มาเมาว่าเอามาใช้ได้ค่ะ <Okay. S 1> ส่วนข้อถัดไปท่านตรัสว่าภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมัน่นพึงให้ดหํารงอยู่เฉพาะในอินทรียสังวร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 เราสำรวมอินทรีย์ก็คือว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติคอยอารักข า, าในในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เพลิดเพลินไปในรูปเสียงกิริรลดพธรรมธรรมอารมณ์ข้อที่สามนี้คือว่าท่านตรัสว่าภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะ ในการหยุดพูดพลาดด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทำการหยุดการพูดพลาดเสียเถิดดังนี้ในข้อนี้คือว่าให้สํารวงวาจาก็คือว่าหยุดการพูดพลามหยุดการคุยสวนเสียให้มาพอเราหยุดเนี่ยหยุดพูดคุยเนี่ยก็จะสํารวมจิตมา จะสามารถมองจิตในภายในตัวเองได้ข้อที่สี่ท่านตรัสว่าภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากหมู่ด้วยกายด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมาทานการอยู่ป่า จงเสพเฉพาะเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เป็นป่าและป่าชัดเถิดดังนี้อันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชักชวนให้เพศสูทั้งหลายเนี่ยหลีออกจากหมว์คือหยุดการกรุกครี <c oughs> ให้สแสวงหาความวิเวกหลีกเล่นซึ่งพระองค์ได้บอกว่าให้สมาทานการอยู่ป่าและก็เสพเฉพาะเสนาสนสนะอันเงียบสงัดก็คือให้พอใจในความเงียบ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 เป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรมห้อย่างเหล่านี้แลคือข้อสุดท้ายนีคือท่านตัดให้เรามีการใต้อยู่ในความเห็นชอบนั่นคือการเห็นอริยค่อยๆ เ, ออเห็นอริยสัจ ส, สีนะ่นคือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข และหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าไปสู่ธรรมะของพระพุทธองค์ก็จะมอะีอันนี้อยู่ในข้อคุ้มรัพย์จากพระโอษฐ์นี่ถือว่าเป็นพระธรรมจากพระโอษฐ์ใช่ไหมคะไม่ใช่วินใช่ไหมคะอ่าเป็นเป็นธรรมะ ท, ที่ท่านสอนกับทัางภิกษุแล้วก็ฆลาวาทั่วไปค่ะแต่จะมีมุมที่เหมือนกับเป็น แตคล้ายๆไปไม่เลยแต่อตาจารมายว่าเ ป, เป็นการที่ชวนให้ภิกษุเนี่ยบอกให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยว่าประพฤติคนจะทาตัวอย่างไรค่ะคือถ้าทําแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการที่สแสวงหาธรรมะใช่ใช่ไหะใช่ถูกต้อ ง, งแล้วกออ็อย่างข้อแรกนี่คือให้มีศีลพอมีศีลปุ๊บสํารวมอินทรีย์ทั้งหลายตาหูจุลินกายใจหยุดการพูดสแสวงหาความหลีกเล้นแล้วก็ให้อะ มีความเห็นชอบนั่นคือสมาธิิซึ่งหลักการนี้คล้ายๆกับหลักการของที่เราเห็นในการปฏิบัติธรรมในหลายๆที่ว่าเขามักจะให้หยุดการปิดวาจาหยุดการพูดคุยให้ทำตัวเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ถือศีลต่างๆศีลห้าศีลแปดสวมรยวาจาใจซึ่งถ้าเราเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันมันก็ จะมีส่วนทำให้เรามีความสารวมในในกายวาจาใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงความละเอียดของธรรมะได้ง่ายขึ้นเรียกว่าห่างจากความทุกข์มากขึ้นอย่างนั้นด้วยไหมคะก็ด้วยเพราะว่าอย่างอินทรีสังวรนี้ถ้าเราไม่ไปเพลิดเพลินในตาหูจุลนี้กายใจเนี่ยมันก็ไม่ดึงเราไปหาสิ่งที่ยั่วยวนบ้างหรือสิ่งที่ไม่พอใจบ้าง ถ้าเราน้อมนําออกมาปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนธรรมดาเป็นคารวาสที่ไม่ได้เข้าไปบวชเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าเราเป็นผู้บวชใหม่ได้เหมือนกันเลยนะคะถ้า<ก>ทำตามนี้เป็นผู้เป็นผู้อยู่ในคําวินัยขององค์สุเ็ศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทบทวนให้นะคะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านให้อยู่ในศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นั่นเองแล้วต่อจากนั้นก็ให้ สำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจใต่อจากนั้นก็เรื่องพูดเนีเรื่องพูดเนี่ยบางคนช่างพูดก็แม้กระทั่งตัวเองนะคะพูดแต่น้อยเนี่ยอันนี้ต้องตั้งออกตั้งใจทําซึ่งมันก็ใช้ความพยายามมากว่าต้องคุมจิตมากว่าจะให้พูดนี้ไม่พูดได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องพูดพูดน้อยคําหยุดพูดพลาด หลีกออกจากหมูด้วยการทีนี้ถ้าสมมติเป็นคนธรรมดาเนี่ยคะ่ะท่านคะด้วยกายหลีกหลีกออกก ด, ด้วยกายขอพระท่านโทษค่ะด้วยกายเนี่ยถ้าสมมุติว่ายังทํางานทําการอยู่เราจะทําอย่างไรถึงจะเสมือนว่าเราได้หลีกเล้นออกจากหมูทั้งๆที่อยู่กับคนอื่นหรือไม่ได้ยังไงก็ต้องออกไปเสวนาใครไม่ไดออ้อาจจะมีช่วงเวลาเช่นตอนเช้าก่อนทํางานหรือว่าช่วงเวลาพักกลางวันเนี่ยเาจจะมีสักห้านาทีสิบนาทีที่ เราอยู่กับตัวเองก็คืออาจจะนั่งสมาธิดูลมหายใจก่อนที่จะไปเริ่มทำงานาตอนบ่ายต่อไปหรือช่วงเวลาก่อนเข้านอนที่ทำทัวร์เรียบร้อยแล้วก็ อ, อ, อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งสำรวมจิตอยู่กับลมหายใจคือมันมีโอกาสที่จะจัดการให้ใหลีกเล้นนี้ได้นะคะแล้วก็ดำรงอยู่ในสมาธิ ใช่ก็ค่อยๆเห็นอริยสัจไปเรี่ยๆก็คือประพฤติปฏิบัติสีส่สมาธิปัญญาค่ะพูดถึงการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเงี้ยมันมีให้เราพิจารณาได้ทุกเรื่องของชีวิตอยูน่นะคะใช่ถูกอยู่ที่ว่าเราจะมองให้เห็นหรือเปล่าเท่านั้นใช่เห็นแต่ไม่เห็นคือถ้าเราไม่ได้น้อมนําเอามาคิดใคร้ครวนเนี่ยเห็นอยู่เฉพาะหน้าก็เหมือนไม่เห็นใช่ค่ะเนี่ยคือ ประสูหนึ่งที่ท่านเองท่านเห็นว่ามีประโยชน์มากใช่ไหมคะใช่ท่านเองก็ว่ามีประโยชน์มากนะคะเนี่ยเป็นข้อคิดที่เราสามารถคือนำไปใช้ในชุดประจาวันได้คือมามองว่ามันทำให้เราเบางทีเราไ ม, ไม่กล้าที่จะอยู่กับตัวเองแต่ว่าพอรู้ว่าเอะพววุทธเจ้าก็สัเสนการที่หีออกจากหมู่ด้วยกายการหยุดพูดพลาดการสานวนกายวาจาใจ เนี่ยค่ะถ้าท่านเห็นว่าเรื่องของการประพฤติตามธรรมเนี่ยสาคัญนะคะับแล้วก็อยากจะประพฤติแล้วไม่ได้ประพฤติตามคนอื่นด้วยนะครับพระพุทธองค์นี้ตรัสไว้ดโดยตรงเลย<ม>ในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ถ้าจะให้ท่านให้ความหมายอีกทีหนึ่งว่าทําไมหนังสือเล่มนี้ในสิ่งที่รวบรวมเอาคําสอนของพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์เล่มนี้ถึงได้ชื่อว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยท่านเข้าใจไว่ายังไงคะเอ มันก็มันเหมือนเป็นสิ่งที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็คือว่าเล่าเหนือจากเรื่องของธรรมะที่เป็นไปนเพื่อการหลุดพ้นแล้วยังมีแง่มุมอีกหลายๆอย่างที่เราเก็บไปใช้ได้อย่างหนังสือกลุมทรัพย์จากพระโอนเนด่โดยโดยหลักหลายเป็นคำขนาหรือว่าคำชี้ชวนภิกษุให้ตั้งมั่นอยู่ในทางวินัยแต่ในเล่มนี้เนี่ยก็จะมีธรรมะที่ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำรวมอินทรีย์การสำรวมกายวาจาใจหรือการประพฤติปฏิบัติต่างๆที่พออ่านแล้วมันก็มันก็เข้าใจได้ทันทีนำไปใช้ได้ง่ายอย่างพระสูตรนี้เพีนว่าเราอาจจะต้องค่อยๆไปปรับประยุกต์กับชีวิตประจำวันในปัจจุบันเห <c oughs> มือนกับว่าเรามีมีขุมทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ที่ให้เราสแสวงหาได้อยู่อยู่ต่อหน้าแล้วเราไม่ไ้ไปอีกช้า คนอื่นในส่วนขุมทรัพย์แบบนี้นะคะเป็นทรัพย์ที่มันอยู่ในตนใช่ไหมคะใช่ทรัพย์ที่เราเราสร้างได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ <c oughs> พระเถอจะสร้างได้มากกว่าพวกมหาเศรษฐีด้วยนะครัดังนั้นเนี่ยถ้าท่านสนใจเรื่องราวจากขุมทรัพย์จากพระโอส์ <c oughs> จะมีวันประจําหรือว่าเป็นวันพฤหัส บ, บดีจะเป็นเรื่องของคุมทรัพย์จากพระโอส์ <c oughs> แล้วก็พระคุณเจ้าทั้งหลายมีพระบางรูปว่ะข้าวฟังรายการ <c oughs> เรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกับ สิ่งที่พระพุทธองค์ตั้งใจเป็นหลักเบื้องต้นก็คือพูดกับประสงค์ก่อนนีคะใช่แต่ก็อย่างอย่างบทนี้ก็เป็นหมวดของว่าด้วยเรื่องการเป็นอยู่ชอบคือจะจะอยู่อย่างไรให้มันเป็นการเป็นอยู่ที่ประเสริฐซึ่งอาตมามองว่าทั้งทั้งพระในคาราวาสก็ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างประเสริฐอย่าดีถ้าหากว่าในเวลาที่เหลือเนี่ยท่านอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกสักหน่อยไหมคะ มีจริงๆมีพระสูตรนิดนิดนึงจะจ ะ, ะผู้สั้นๆก็คือว่ามี อ, อีกอีกพระสูตรหนึ่งที่ท่านบอกว่าพระผู้มีพระเจ้าบอกเรื่องของทำเครื่องอยู่ผาสุข ค, คือธรรมะห้อย่างที่ทําให้เราเป็นผู้อยู่อย่างผาสุขอันที่แรกคือการการกระทําซึ่งประกอบด้วยเมตตากับเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งในที่แจ้งและในที่ลับนี่คือ พระผู้มิพราพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเป็นอยู่เด็กต้องมีการกระทากับเพื่อนร่วมประพฤติควรจะเนี่ยที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งในที่แจ้งและก็ที่ลับอันถัดมาคือการพูดที่ประกอบด้วยเมตตาการคิดซึ่งประกอบด้วยเมตตาศีเลเราใดซึ่งเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกครอบงาด้วยตัณหาทิฐิเป็นไปความเพื่อสมาธิ เป็นผู้อยู่อย่างผู้มีศีลเสมอกันอัตถันมาคือความเห็นใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐเป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกนำไปเพื่อการสิ้นทุกข์เธอเป็นผู้อยู่อย่างมีความเห็นเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติมุมาจารด้วยกันทั้งในที่แจ้งและในที่ลับซึ่งนี้ก็เป็นแง่มุมที่เราก็นําไปใช้ได้กับประจําวันคือเรามีต้องมีเพื่อนร่วมงานมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย เรากระทากับเขาอย่างเมตตาพูดอย่างมีเมตตาคิดอย่างมีเมตตาประพฤติกับเขายัางมีศีลนําพาเขาไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องทั้งในที่แจ้งและในที่รับ <c oughs> ทั้ ง, งตอหน้าและรับหลังพระผู้มีพระเจ้านี่อตัดไว้แสดงว่าทรงรู้ทันว่าคน<อ>เราเนี่ยบางคนอาจจะแบบในที่แจ้งในดีดีแต่มีมุม แอบไปนิดนดในที่รับก็จึงได้สอนไว้ว่าต้องปิดทั้งในที่แจ้งและที่รับรับเป็นประโยชน์มากนะคะพูดคิดทำด้วยความเมตตามีศีล น, นะคะไม่ด่างพร้อยอยู่อย่างมีศีลเสมอกันแล้วก็จะดำรงอยู่กันอย่างภาสุขใช่พระพุทธเจา้าเรียกว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ภาสุขค่ะ วันนี้ก็ได้ไปสองพระสูตรเล ย, เยจากขุมทรัพย์จากพระโอต์โดยพระมาร์คชาคาวโรวัดนาปะพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ค่ะน้อสักการขอบพระคุณท่านแต่เนทีเท่านี้นะคะ